หปัจจญานุโลม 2. ส, สังขยาวานสุทธนัย62เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระอุปนิสียปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยมีสามวาระ มัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุติปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระเหตุสภาข้าในหกสาอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระ ศาชาตปัจจ mm. ัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระสำปรยุตปัจจัย กับเหตุปัจจัยม uh ีสามวาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระสามัญญาคตนาปัจจัยเจคือเหตุสหชาตาัญญมัญญนิสยาสัมปยุตตาอัถิและอวิคตตามีสามวาระ ปัจจัยแคือเหตุสหาชาตะอัญญมัญญะนิตยาวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระสิอินทริยมัคคตนา64ปัจจัย9คือเหตุสหาชาตะอัญญมัญญะนิตยอินทรียมัคคะ สัมปยุตตะอัติและอวิคัตะมีสองวาระปัจใจสิบคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสัยวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคัตะมีสองวาระสาธิปฏิอินทรียะมัคคตนา65 ปัจจัยสิคือเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตยาอินทรียะมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย11คือเหตุอธิปติสหาชาตาิอัญญามัญญะนิตยาวิปากะอินทรียมัคคะ สัมปยุตตะอัถิและอวิคตตะมีสองวาระอารามณสภาขัน66อธิปฏิปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสัยปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสี่วาระอารามณะคตนาหกเจปัจจัยสคือ อารามณนะอธิปติไดอุปนิสัยมีสี่วาระอธิปติสภาคานัน a i s สิบแปเหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระ นิตยปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอินตรียาปัจจัยกับอธิปฏิปาจัยมีสามวาระ มัคปัจจัยกับอธิปาติปัจจัยมีสามวาระสามประยุติปัจจัยกับอธิปาติปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอธิปาติปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยกับอธิปาติปัจจัยมีสามวาระอธิปติัตนา69ปัจจัยสคืออธิปติอา ร, รมณะแลบปนิสยา มีสวาระปัจจัย7คืออธิปติสหาชาตาิอัญญมัญญะนิตยสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีสวาระปัจจัย8คืออธิปติสหาชาตาิอัญญมัญญะนิตยวิปากะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีสองวาระ ปัจจัยเคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอาหาระอินทรียะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยสิบคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระอินทริยะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะ มีสองวาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตาัญญมัญญานิสยาอินทริยามัคคะสัมปยุตตาอธิและวิกตตมีสามวาระปัจใจสิบคืออธิปติสหชาตาัญญมัญญานิสยาวิปากะอินทริยามัคคะสัมปยุตตาอัธิ แวิคตะมีสองวาระปัจจัย10คืออธิปติเหตุสหชาตาอัญญมัญญานิตยอินทรียมัคคะสมปยุตตาอธิและวิคตะมีสองวาระปัจจัย11คืออธิปติเหตุสาชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียมัคคะ สัมปยุตตาอัตติและวิคตะมีสองวาระอนันตรสภาข้างใเจติสมาันตรปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระอุปนิทยปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระอาเสวนปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีสาวาระกรรมปัจจัยกับอนันตรปัจจัย มีสองวาระนัตถิปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมี7ดวาระคัตตาหาสิปัจจัย5คืออนันตระสมานันตระอุป ją, นิสิยนัตถิและวิคตะมีเจดวาระปัจจัย6คืออนันตระสมานันตระ อุปนิสติยอาเสวนาณติและวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออนันตระสมนันตระอุปนิสติยกรร ม, มะนณติและวิคตะมีสองวาระกับสมนันตระปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัย สภาคณายมีสหชาตปัจจัยเป็นต้นเจิสองเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยอัญมัญญปัจจัยและนิสัยปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระสหชาติปัจจัยกับละมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระกามปัจจัย กับละมีสามบาระวิปากปัจจัยกับละมีสามบาระอาหารปัจจัยกับละมีสามบาระอินทริยปัจจัยกับละมีสามบาระชานปัจจัยกับละมีสามบาระมัคคปัจจัยกับละมีสามบาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามบาระอธิปัจจัยกับละมีสามบาระ อวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระคัะตนาปัจจัย6คือนิตยะสหชาตะอัญญมัญญสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจคือนิตยะสหชาตะอัญญามัญญาวิปากะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระอุปนิตย สภาค้างในเจ็ดอารามณปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีเจ็ดวาระ อาเสวนปัจจัยกับอ ab mm ุปนิสตยปัจจัยมีสามวาระกรรมมปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมี8ดวาระนัตถิปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีเจดวาระคัตนา74ปัจจัย3คืออุปนิสตย อารามณะและอธิปติมีสี่วาระปัจจัย5คืออุปนิสติยะอนันตระสมานันตระนัตถิและวิคัตะมีเจดวาระปัจจัย6คืออุปนิสติยะอนันตระสมานันตระอาเสวนะณะนัตถิและวิคัตะมีสามวาระ ปัจจัยสองคืออุปนิสติยะและกรร ม, มะมีแปดวาระปัจจัย6คืออุปนิสติยะอนันตระสมาันตระกัร ม, มะนัตถิและวิคตะมีสองวาระอาเสวนสภาคณัยเจหอนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ สมานันตรปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระอุปนิสติยปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระวิกาตปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระคัตตาปัจจัย6คืออาเสวณัปานันตรสมานันตรอุปนิสติยนัตถิ และวิกัตะมีสามวาระกรรมสภาข้างในเจ็ดอนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระสมานา like. มันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระ นิตยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระอุปนิทยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระสำปรยุน์ปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระอธิปาจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระ นัตถิปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีสองวาระวิคตตปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีสองวาระอวิคตตปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีสมวาระคาตนาปัจจัย2คือกรร ม, มะและวุนิสสยามี8ปดวาระปัจจัย6คือกรร ม, มะอนันตระสมานันตระอุปนิสสยานัตถิและวิคตะ มีสองวาระปัจจัย8คือกรร ม, มะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยาอาหาระสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คือกรร ม, มะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยาวิปากะอาหาระสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะ มีสามวาระวิปาะคสภาคะใน 77. เจเหตุตุปัจกับวิปปะกปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับวิปากา ป, ปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับวิปากาาปัจจัยมีสามวาระละชานปัจจัยกับวิปากาาปัจจัยมีสองวาระ มัคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระสำปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระคัตนาปัจจัยเจคือวิปากสหชาตะอัญญมัญญานิตยะ สัมปยุตตาอัติและอวิคตตามีสามวาระอาหารสภาขไน78อธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระสาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอาหารรปจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอาหารรปจัยมีสามวาระคัตนา ปัจจัยเคืออาหาระสหชาติอัญญมัญญานิตยสัมปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะสัมปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะ อัญญมัญญานิตยากรรมะสัมปยุตตาอัตติและอวิกตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิตยากรรมะวิปากะสัมปยุตตาอัตติและอวิกตตมีสามวาระปัจจัย8ดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิตยา อินทรียะสัมปยุตตะอธิและวิกตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระสหชาตะัญญมัญญะนิตยาวิปากะอินทรียสัมปยุตตะอธิและวิกตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระอธิปติสหชาตาอัญญมัญญานิตย์ อินทรียสัมปยุตตะอธิและวิคตะมีสามวาระปัจใจสิบคืออาหาระอธิปติสหชา h a ตะัญญมัญญา น, นิตยะวิปากะอินทรียสัมปยุตตะอธิและวิคตะมีสองวาระอินทริยสภาคไนเจ็ด เหตุปัจจ Any ัยกับอินทรียปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระ อาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระ อวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระคัตนาปัจจัย7คืออินทรียาสหชาติอัญญมัญญานิตยสัมปยุตตาอัตติและวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทรียสหชาติอัญญมัญญานิตยาวิปากะ สัมปยตตาอัตติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย8คืออินเตริยสหชาตะอัญญมัญญานิตยะมัคคสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย9คืออินเตริยสหชาตะอัญญมัญญานิตยะวิปากมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีสองวาระ ปัจจัย9คืออินทรียะสหชาติัญญมัญญานิตย์ชานะมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคัตะมีสามวาระปัจจัยสิบคืออินทรียสหชาติัญญมัญญะนิตย์วิปากะชานะมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคัตะมีสองวาระ ปัจจัย8ดคืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตตมีสามวาระปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คือ อินทรียะอธิปติสหชาตาอัญญมัญญานิตยาอาหาระสัมปยุตตาอธิและอวิคตตามีสามวาระปัจจัยสิบคืออินทรียะอธิปติสหชาตะอัญมัญญ า, น, านิตยาวิปากะอาหารสัมปยุตตาอธิและอวิคตตามีสองวาระปัจจัย9คือ อินทรียะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิตยามัคคะสัมปยุตตาอธิและอวิกตะมีสามวาระปัจ yeah, จัยสิบคืออินทรียอธิปติสหชาตาอัญญมัญญานิตยาวิปากามัคคะสัมปยุตตาอธิและอวิกตะมีสองวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยเหตุสหชาตะ อัญญมัญญานิตยามัคคสัมปยุตตะอัตถิและวิกตะมีสองวาระปัจจัยสิบคืออินทรียาเหตุสหชาตาอัญญมัญญานิตยาวิปากามัคคสัมปยุตตาอัตถิและวิกตะมีสองวาระปัจจัยสิบคืออินทรียาเหตุอธิปติสหชาตะ อัญญมัญญานิตยามัคคสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีสองวาระปัจจัย11คืออินทริยาเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากามัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีสองวาระชานะสภาคณัย80 สหชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับชานปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับ ชานปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจปจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระคัตนาปัจจัย7คือชานะสหชาตาอัญญมัญญนิตยสัมปยุตตาอธิและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตาอัญญมัญญนิตยวิปากะ สัมปยุตตะอธิและอวิคตตะมีสองวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตตะมีสวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตตะมีสองวาระปัจจัย9คือชานะ สหาชาตะอัญญมัญญานิตยาอินตรียมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10บคือชานะสหาชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอินตรียะมัคคสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระมัคคสภาคไนแปดสเหตุปัจจัยกับมับคคปัจจัยมีสองวาระ อธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระชาชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับมัคคปปใจมีสามวาระนิตยาปัจจัยกับมัคคปปใจมีสามวาระวิปากปัจจัยกับมัคคปปใจมีสามวาระอินตรียปัจจัยกับมัคคปปใจมีสามวาระชานปัจจัยกับมัคคปปใจมีสามวาระ สัมปยุตตปัจจัยกับมัคคปัจจ at ัยมีสามวาระอติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยก ah ับมัคคปัจจัยมีสามวาระขตนาปัจจัย7คือมัคคะหชาตานญญมัญญนิส ah ีย ah ุตตาอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือมัคคะหชาตานญญมัญญะ นิตยวิปากะสัมปยุตตะอัต right, ิและอวิกตะมีสองวาระปัจจัย8คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยอินตริยะสัมปยุตตะอัติและวิกตะมีสาวาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิกตะมีสองวาระ ปัจจัย8คือมัคคะสหัาตะอัญญมัญญะนิตยชาณะสัมปยุตตะอัตถิและวิกตะมีสาวาระปัจจัย9คือมัคคสหัาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากาชาณะสัมปยุตตาอัตถิและวิกตะมีสองวาระปัจจัย9คือมัคคะสหัาตะอัญญมัญญะนิตย อินทรียาชานะสัมปยุตตาอัตติและวิกตะมีสามวาระปัจจัยสิบคือมัคคสหชาตะอัญญมัญญาณิติยวิปากาอินทรียาชานะสัมปยุตตาอัตติและวิกตะมีสองวาระปัจจัย9คือมัคคอธิปติสหชาตะอัญญมัญญาณิติยอินทรียสัมปยุตตาอัตติ และอวิคตตามีสามวาระปัจจัยสิบคือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอินทริยาสัมปยุตตาอัถิและอวิคตตามีสองวาระปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยาอินตริยาสัมปยุตตาอธิและอวิคตตามีสองวาระ ปัจจัย10บคือมัคคเหตุสหชาตาอัญญมัญญานิตยาวิปากะอินทรียสัมปยุตตาอติและอวิกตะมีสองวาระปัจจัย10บคือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิตย์อินทรียสัมปยุตตาอติและวิกตะมีสองวาระ ปัจจัยสิคือมัคคะเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิสียวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระสัมปยุตตสภาค้ในแปดสิบเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ ศาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามบาระอัญญมัญญปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามบาระนิตยปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามบาระกัมมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามบาระวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามบาระอาหารปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามบาระ อินทรียปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระมรคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระคัตนาปัจจัย6คือสัมปยุตตะ สหาชาตะอัญญมัญญะอัตถิและวิคัตะมีสามวาระปัจจัยเจคือสัมปยุตตะสหาชาตะอัญญมัญญะนิตยาวิปากะอัตถิและวิคัตะมีสามวาระในวงเล็บกับอัตถิปัจจัยนิติปัจจัยวิคัตะปัจจัยอวิคัตะปัจจัยละอนุโลมแห่งปัญหาวานจบ ปัญหาวานปัจจณียุทธทาน8ปสสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิเตยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนา โดยอารามณะปัจจัยอุปนิสติยะปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารามณะปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยแปดสิสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมณปัจจัย ศาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัย อุปนิสตยปัจจัยและกรรมปัจจัย8ปสหสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาบธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขมาสุขเวทนาโดยอารามานปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสตยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขมาสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนา โดยอารามณปัจจัยอุปนิสตยปัจจัยและกรร ม, มปัจจัยสภาวธรรมที่สัมยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารามณปัจจัยอุปนิสตยปัจจัยและกรร ม, มปัจจัย 2. ปัจจยปัจญนย 2. ส, สังขยาวานสุทไ น, นัย86ในเหตุปัจจัยมีก้าวาระ นาอารามณปัจใจมีก้าวาระนาทิปติปัจใจมีก้าวาระนาอนันตระปัจใจมีก้าวาระนาสัมน a ันตรปัจใจมีก้าวาระนาสหชาตปัจใจมีก้าวาระน n ัญญัมัญญปัจใจมีก้าวาระนานิตยปาปัจใจมีก้าวาระนาอุปนิตยปาปใจมีก้าวาระนาปุเรชาตปัจใจมีก้าวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยมีก้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีก้าวาระนกรรมมปัจจัยมีก้าวาระนวิปากปัจจัยมีก้าวาระนอาหารปัจจัยมีก้าวาระนอินทริยปัจจัยมีก้าวาระนาชานปัจจัยมีก้าวาระนมัคปัจจัยมีก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีก้าวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระโนอัติปัจจัยมีก้าวาระโนนัติปัจจัยมีก้าวาระโนวิกตปัจจัยมีก้าวาระโนอวิกตปัจจัยมีก้าวาระในเหตุตุทุกขกันใดแิบเนาอารามานปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีก้าวาระละโนวิกโนอวิกตปัจจัยกับในเหตุปัจจัย มีก้าวาระติกไนหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนนเหตุปัจจัยแลยนะอารามณปัจจัยมีก้าวาระละหอุปนิสติยปัจจัยกับนนเหตุตุปจัยและณอารามณปัจจัยมี8ดวาระละโนอวิกตปัจจัยกับนเหตุตุปจัยและณอารามณปัจจัยมีก้าวาระละเอกวีสกนัย นอวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนะอารามนาปัจจัยละนาอปนิสตยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะวิปากปัจจัยและวนะอาหารปัจจัยละมี8ดวาระนาเหตุมูลกนัยจบในวงเล็บผู้รู้พึงนับให้เป็นมูลและการทั้งหมด เหมือนการนับจํานวนปัจจ尼ยะแห่งกุสลติกะปัจจ尼ยจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจ尼ยเหตุสภาค้างในแปดสิอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามบาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามบาระณอนันตรัปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามบาระ นาสัมมานันตะปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระ น้อาหารปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระน้อินตรียปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระน้าชานปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระน้มัคคปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระน้าวิปยุตตะปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระโนวิขตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระสามัญญาคตนา 89ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือเหตุสาชาตะอัญญมัญญนิสยาสัมปยุตติอัถิและอวิกตะมีสามวาระละโนวิกขตปัจจัยกับละมีสามวาระในมือเล็บพึงนับเหมือนการนับจํานวนอนุโลมปัจจนิยะแห่งกุศลติกะที่ท่านได้นับไว้ตามแนวแห่งการสาธยาย นาเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีแดวาระนาอารามะนาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี8ดวาระละนโนอวิคตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี8ดวาระในมงเล็บย่อการนับอนุโลมปัจจ尼ยะจบสี่ปัจจยะปัจจ尼ยานุโลมนาเหตุทุกขกันในเ อารามณปัจจ like so ัยกับนาเหตุปัจจัยมี๙วาระอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๕วาระอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๗วาระสมานันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๗วาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๓วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๓วาระนิตยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๓วาระ อุปนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยใจมี๙วาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยใจมี๓วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๘วาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยใจมี๓วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๓วาระอินทริยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยใจมี๓วาระ ชานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจวาระอวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระ ติกกไนหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีเจดวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีสามวาระละชักกัยสาชาตปัจจัยกับนเหตุตุปจัย นาอารามณปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยและนาสมนันตรปัจจัยมีสามวาระอัญ Any ญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนิสียปัจจัยกับละมีสามวาระอุปนิสียปัจจัยกับละมีเกวาระกรรมปัจจัยกับละมี8ดวาระวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระละ อวิคตปัจจัยกับละมีถามวาระละนวกนัยอุปนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยนะอารามนาปัจจัยในมุงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและณนิสนะัยปัจจัยมีก้าวาระกรร ม, มปัจจัยกับละมีแปดวาระละจตุวีสกนัยในมุงเล็บสอุปนิสัยกรร ม, มปัจจัย กับนเหตุปัจใจนะอารามนาปัจจัยละนาปนิเตียปัจใจนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจใจนาอาเสวนปัจจัยนะวิปากปัจใจนะอาหารปัจใจนะอินทรียปัจจัยนะชาณปัจจัยนามะขะปัจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตาปัจจัยโนอธิปัจัยโนนัตติปัจจัยโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมีแปดปาระ จตุวีสกนัยนมุเรปสกรรมะอุปนิทตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยและนนิทตยปัจจัยณาปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยนกรรมะปัจจัยและโนวิขตปัจจัยและโนอวิขตปัจจัยมีก้าวาระนเหตุมูลกนัยจบ นัอารามณะทุกกนัย91เหตุปัจจัยกับนัอารามณะปัจจัยมีสามวาระละกามะปัจจัยกับนัอารามณะปัจจัยมี8วาระละอวิคตาปัจจัยกับนัอารามณะปัจจัยมีสามวาระละโนอวิคตาทุกกนัย92อารามณะปัจจัยกับโนอวิคตาปัจจัยมี9วาระ อธิปติปัจจัยกับโนอวิกขตปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยกับโนอวิกขตปัจจัยมี7วาระสมนานตรปัจจัยกับโนอวิกขตปัจจัยมี7วาระอุปนิสตยปัจจัยกับโนอวิกขตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับโนอวิกขตปัจจัยมีสวาระกามปัจจัยกับโนอวิกขตปัจจัยมี8วาระ นติปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยมีเจดวาระวิคตปัจจัยกับโนวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระละจตุกนัยอนันตรปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยในเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีเจดวาระสมานันตรปัจจัยกับละเหมือนข้างบนมีเจดวาระอุปนิสติยปัจจัยกับละมีเก้าวาระ อาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรร ม, มปัจจัยกับละมีแปดวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสุปนิสัยกรร ม, มปัจจัย กัโนอวิกตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะนิสสิยปัจจัยนะอุปนิสสิยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัย นาอินทรีย์ปัจจัยนาชาณปัจจัยนามัคคปัจจัยนาสามปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตาปัจจัยโนอธิปัจจัยโนนัติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีแปดวาระจตุวีสกนัยนมุเเลสกรรมมะอุปนิสิยปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนาเหตุปัจจัยละนาณิสตยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยละนากรรมมปัจจัยละ โนวิกตปัจจัยมีก้าวาระในวงเล็บพึงนับเวทนาติกะนี้เหมือนการนับจำนวนปัจจนยานุโลมแห่งกุตตติกะที่ได้นับไปแล้วตามแนวทางแห่งการสาธยายปัจจนยานุโลมจบเวทนาติกะจบ